สมบัตินี่ก็นิยมบดียูแดหัง่งโยไตอูของอนิจจังโมมันบะเทียงแตกสลายไปโนแมนของผู้ใดบัดไปบัดมาอยู่ชำนันขันเท้าสสมาสางโลกขันมันได้รับความสุขจนเลื่อมตุลเื่อมโตว่าสางกุศลชิ้นท่านชเชลย ก็เรียกว่าเฮานี่ปั้นน้าให้เป็นตัวเป็นไปลว่าได้โดยเฉพาะบริยูในคมวังของเฮาเฮาอาศัยทัพทั้งหลายเนี่ยภายนอกกุกมาคืออาศัยเหื่ออาศัยแพ้เพื่อขามขี่ขามฝากขันขามไปแล้วห้อกระทิมแล้วเหื่อเมื่อได้ขึ้นมาขี่กับขึ้นมาอีก สกุลละกายก็คือ ก, กันอาศัยส้วข้าวพญายกิจตลาดก็มาอาศัยส้วข้าวสกุลละกายนี่แหละเป็นเพื่อนพญายกิจตลาดเพื่อนของกายภายนอกก็เป็นเพื่อนเป็นสร้างเท่ายังมันก็เพื่อนภายในใอีกเพราะเอาตะปูตีไว เอามอใหม้มาเฮ็ดมาทำเงื่อนของพญยายกิดตลาดเนี่ยมุ่งแอมด้วยหนังหนังหุมยูหล่ เ, น, เนื่อนั่นพอกไหวคือดินท่าทาาเส้นเอ็นนั่นเนี้วรัดลึ่งไหวผูกไหวเป็นตอกเป็นไหวแทนตะปู แล้วจักเด็ดเตกจักเด็ดสลายไปหันสิ้นลมหายใจแล้วหอดขวบมากกัถึกกินเพราะเนาม่าจะในทองพุ่นหอดขอดเย็ดมือมากก็เป็นน้ำย่างเหลืองไหลต่อไปหันอีกกับเปื้อยเพ่มีเหลียวว่าเฮียนเพราะไม่คิดตลาด พญายาคิดตลาดบางให้มันคักเมื่อสร้างเพื่อนอันบ่มันบ่เทียงผู้ที่สุกเศร้าน้ำเพือนนําซ่านที่มันเพ่มันพังไปกับมันพญายาคิดตลาดผู้สางขืนกับมันพญายาคิดตลาดพระยายคิดตลาดจงทําความข่าใจให้มันถือซะยาสุมาสางเพื่อนนั่งนี้อีก หลังนังหูมนี่ได้มือได้ก็ขอให้ได้เขาสู้พระนิพพานเลยอย่าณิมาท่องเที่ยวในวัตตาสงสารขนาดว่าบุญล้ายแต่ไปพบมาโลกก็อยู่หันล้ายกร็รลายกันอยู่เมตไนสงแล้วก็ลงมาเป็นชัตติรสารกะมี่ลงมาเป็นเพศกะมี่ลงมาตกมรหกอีกกะมี่ลงมาเป็นมนุษย์อีกกะมี่ คำว่าเกิดเดีวที่เกิดเป็นยันต์กระสรางเป็นอินเป็นพ่มเป็นพยมพะการเป็นเจตุโลกรบาลทั้งซีก็ตามเป็นสัตว์ที่มีวิญ ญ, ญาณคว่องสิงอยู่ก็ตา ม, ก, ตมก็ตกมีแก่มีเก็ บ, ม, กบมีตายลงบนเดียวกันบ่มีสารอุทธรเมื่อเหตุผลเป็นทั้งสี่สัตแจ่ยงในคิดในใจแล้ว ควบยินดีต่างๆเก่งสีหน่ตัดออกนะสีนเลือกเฟ้นเอาแต่บนดีแต่ก่อนหอบเอาทั้งคี้มูร่าคีมะแหงบาสนี่ถุงหิจักเลือกเฟ้นแล้วคือเลือกเฟ้นเจตนาเจ้าของนั่นเองเลือกเฟ้นควมหวังเจ้าของนั่นเองเลือกเฟ้นควมประสงค์ของเจ้าของนั่นเองสิประสงค์อันเดียวแต่จะเข่าสู้ภายในพรานเท่านั้นบนบ่มาแกมาเก็บมาตาย ควมประสงค์ทั้ทางอื่นสิตัดออกเมื่อสิค่ายเมาออกสิค่ายออกเสียงอมไว้แต่ปราถนาพระนิพพานโดยรวนเท่านั้นถึงว่ถึงถึงซาถึงไหวก็ตามเอาอันเดียวเท่านี้มีเกตนาปราถนาอันเดียวเท่านี้ทานเขาไม่ทักพักซันหนึ่งก็ตาม เขาเห็นเต็มตาเลยไม่มีมันปิดบังไม่มีพิสิตัวได้เพื่อนว่าโลกน่วยนี่ไปยุบปุ่นถ้วยมันที่เป็นซุกไปยุบพี่ถ้วยมันที่เป็นสุกมาสักคำว่าในโลกอันนี้สิไปยุบวนไหนก็เป็นทุกข์มื่ทุกข์แก่ทุกเก็บทุกตายอถึงสิไม่ทุกข์แก่ทุกเก็บทุกตายก็าตามเถิด ขอให้ได้ปฏิวัติชิ้นรรมเป็นคููกับซีวิตไปแต่ละศาสตร์ละพบไปให้มันบางมันบางไปถึงแม่จักมีเกิดอีกอยู่แต่ย่าได้หาบได้หิวควั้วมรกกหลงมาหลายหลาให้มันค่อยเบาไปเท่าทีเรียกได้หน่อยคือพระจันทร์ในวันค้างคืนเนี่ยขัเท้ายูฮางเหินจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับอุปมาคือฮ่ เป็นะจัน์ในวันแหมนับที่แหมคำหนึ่งไปแต่คอยสวยไปสวยไปบ่สามารถสีนำควมจเจริญมาใส่จะของได้ขืนรถขืนเรือจะกลับบ้านกับพาะการภาวหนา้าพุทธโธพุทธโอไปพุทธโอย่าให้พบปัญหาญาญ่าผ้านันถ่าย ตลอดทอดฟังโจรม่านย้า้มาไก่ท่าโมทัท้งโคก็คือกันนห้นึกจังสัน่นไปทั้งบ้านทั้งเมืองหายมีความซุกความเจริญยิ่งขึ้นปล่อยผลถูกในวตาสงสารข้าเห็นทุกอย่างเต็มทีข้าวจังสีเบื่อนายทุกอย่างเต็มทีข้าวเค็ดลาบอย่างเต็มทีข้าจังสีเบือ่อเดีวมาทองเที่ยวอย่างเต็มที ที่ทำควมสงสัยในควมเกิดแกเก็บตายให้มันสิ้นให้มันสลางจิตใจเมื่อใดสงสัยว่าในยินดีพระอรหันต์อรหันต์มองลงมาแต่พมมาลกลม่มองมาเห็นพระพม่มมโลกเทวะลกมนุษย์ลกสัตว์ลกอุปมาคือนำไลยท่มทิม ว่าได้เสดายเอาขึ้นข้าปากกเกทือมีแต่หมดตเตเมงไมาหยาดกันจินหมู่เฮ้าขันจิเลตหลายกับอุปมาคือหมดแม่หญาิสมบัติของพระหันทั้งหลายที่เพิ่นค่ายถิ่มเลยอุปมาสมบัติมนุษย์โลกสวรรค์โลกเทวโลกพุทมรลกเนี่ยอุปมาคือนำรายพระหัน โม่ห่าอุปมา ค, คือหมดบรรยากาศของบรมันบะเทียงกันอยู่อ ม, มาเสียดายแล้วอะไรของบรมันบะเทียงอยู่แล้วเห่าจิตถ้ำข่วงเข้าไก่ถือแค่นี้เห่าสิเห็นโทษในค่วงบรมันบะเทียงเห่าสิเห็นโทษในค่วงเกิดอย่างเต็มทีเห่าจิเห็นโทษในค่วงแก่อย่างเต็มที ข้เาเห็นโทษในความตายอย่างเต็มทีข้าจักเห็นโทษในความที่ข้าหลงมากย่างเต็มทีอันนี้จกักถอนจิตท้องใจเกิดสาสตร์ไม่เกิดสาสตร์ไม่กับไม้ความว่าสาัที่มีปัญญาเพาะปัญญาซุนันมาท่านกันแล้วความหลงทั้งหลายก็เลยคายเมาไปเรียกว่าเกิดสาสตร์ไม่ โมมีผู้สมปทนานจะคนผู้ตายไปแล้วโมนึกว่ามิจะตายค่างานมืดเวนพระอริยะเจ้าเสียงานันนักูก็เพท่านแล้วงานอันนี้กูก็เพท่านแล้วโมท่านเนี่ยให้ลูกไครล้านยางนั่นยางนี่เดียวว่าตายค่างานเออรูปมากคือหูตาค่ากีอยู่แหลก็ตายซะ ที่บอกค่ากี้ก็ตายอยู่ตายค้างงานอยู่เพราะว่าท่านเนีเบื่อนายลูกพ่ออืคนเบื่อบานายลูกพ่อแล้วพอหวังได้พบหน่อยพบใหญ่เดี๋ยวเบาตายค้างงานเดี๋ยวงานแล้วมดปัญหาเจ้าของก็บอมาสอดแทรกเจ้าของงานจําระงานม ด, ดัดเล้เพราะบ่เป็นห่วงว่าเป็นอะไรในบรรดาสงสารกู้ชาติกู้พบได้ กูสาดกูพบข้าวููพันิพานเรื่องเกิดกับเรื่องทุกข์มีความหมายอันเดียวกันเรื่องแก่กับเรื่องทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันเรื่องเก็บกับเรื่องทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันเรื่องตายกับเรื่องทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกัน จะมีบวอาหารไปสักเพียงไหนก็ตามแต่ก็มีรสชาติและความหมายอันเดียวกันยกเว้นท่านผู้พ้นไปเสียเนื้ององนั้นมีความหมายอันเดียวกันเรื่องหนาวกับเรื่องทุกข์ต่างกันอย่างไรอันเดียวกันเรื่องหิวเรื่องกระหายเรื่องปวดอุจจาร ะ, ะปวดปัสสาวะกายกระทุกทุกทางกาย ทุกทางกายก็เทศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเราจะยึดถือว่าเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ก็ตามแต่ความจริงก็เป็นทุกขังอริยะสัจจังอยู่นั่นเองพระบรมศ า, ศาสดาสอนปรินเยายันติเมพิกขเวจงพิเกรณาให้ยิ่งปริน ญ, ญาตันติเมพิกขเว เราพิเกรณนายิ่งแล้วปหาตั บ, บันติเมท่านทั้งหลายจงคลายจงละความเมาเสียเถิดสัชชิกาตั บ, บันติเมท่านทั้งหลายจงทําให้แก้งในคันธันดานของท่านทั้งหลายเสียเถิด สัจฉิกะตันติเมเราได้ทำให้แก้งแล้วศีลก็ตัดศีลลงในกายวายกายกตามข้อที่ทรงอนุญาตและข้อที่เว้น สมาธิก็ตั้งมั่นลงที่กายวาจาใจปัญญาก็ให้รอบลู่ในกายวาจาใจไม่ให้เป็นโทษสิ่งไหนที่เป็นโทษให้เว้นที่นี่ศีลสมาธิปัญญาก็รวมลงเป็นตัวเดียวกันแต่ก่อนพระบรมสารีราไม่ได้บัญญัติเพราะเหตุใด พระภิกษุมีกเกลียตน้อยที่บวชมาในยุคก่อนๆพอมีผู้ทําผิดท่านจึงบัญญัติขึ้นข้อไหนที่บัญญัติก็พระถูกทําผิดสิ่งไหนที่ไม่ถูกทําผิดท่านก็ไม่ได้บัญญัติพระบรมศาสดายืนยันว่าศีลมีตัวเดียว สมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวรวมลงถึงเอกศีลในปัจจุบันรวมลงเอกสมาธิในปัจจุบันรวมลงเอกปัญญาในปัจจุบันส่วนจะไปทางโลกีหรือโนกุตระก็แล้วแต่ปัญญาสัมพยุ์ของแต่ละท่าน ศีลปฏิบัติศีลเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเรียกว่าโลกียศีลปฏิบัติสมาธิเพื่อให้คิดรวมเพื่อต้องการมนุษย์สมบัติเพื่อต้องการเทวะสมบัติเพื่อต้องการพรหมสมบัติก็เรียกว่าโล กิเลสสมาธิปัญญารอบรูกในกองสังขารหรืออะไรก็ตามแต่มีเกตนามุ่งหวังมนุษย์สมบัติสวรร์สมบัติพรหมสมบัติก็เป็นโลกิยะปัญญา โลกุตละสินโลกุตลสมาธิโลกุตลตปัญญาไม้เอาสีนสมาธิปัญญาของพระสดาบันเป็นต้นไปจะเป็นพระสดาบันเอกกับพิชีหรือโกลังโกละสัตตคตุปละมะก็าตาม สมาธิก็เหมือนกันจะเป็นคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิหรืออุปนาสมาธิอปนาสมาธิก็ตามถ้าหากว่าเป็นโลกุตรสมาธิก็หมายถึงสมาธิของพระสุสดาบัน a เป็นต้นไปจะเป็นเหตุมะปัญญาก็ตามจะเป็นมัชชิมะปัญญาก็ตาม จะเป็นปริมาปัญญาก็ตามก็หมายถึงปัญญาพระสวสดาบาลเป็นต้นไปเพราะปัญญาพระสวสดาบาลไม่ส่อไม่แสหาในโลกีสมบัติและเทวะสมบัติและพรหมสมบัติเจตนาเป็นของสําคัญเมื่อเจตนาอยู่ในโลกี หวังมนุษยสมบัติหวังสมเทวะสมบัติหวังพรมสมบัติจะเพระพฤติเคร่งสะเพียงไหนก็ตามก็หากเป็นโลกีไปทั้งศีลและสมาธิปัญญาพร้อมทั้งเกตนาและกิจใจด้วยข้อนี้ไม่มีใครเป็นพยานให้ต่างท่านก็ต่างทดสอบใจของตนเองก็แล้วกัน จะให้คนอื่นมาเป็นพยานเป็นพยานไม่ได้เพราะเจตนาของใครของมันก็ต้องรู้ตัวเองเราประพฤติพรหมจรรย์อยู่เดี๋ยวนี้เพื่อหวังอะไรต้องตอบตนได้ทีเดียวถ้าไม่ตอบออกมาให้หมูเพื่อนเห็นก็ต้องตอบตนได้โดยเฉพาะถึงจะแปลงตอบจะมีเลขมีเหลี่ยมตอบตนก็ไม่พ้นตนจะรู้ตนเอง ภาพพลดขึ้นอยู่กับตนหมดสิ่งเหล่านี้เป็นของสำคัญมากการประพฤติยิ่งประพฤติหยอดประพฤติดเด็ดประพฤติดเดียวการประพฤติดเด็ดเดี่ยวเป็นเครื่องเหนี่ยวใจของท่านผู้หวงพนทุกข์ในปัจจุบันในชาติ แต่การประพฤติเดดเี่ยวจะเอาอะไรเป็นเครื่องหมายเพราะใครๆก็ว่าใครเด็เดดเี่ยวทั้งนั้นใครก็ไม่ยอมว่าใครประพฤติย่อนเอาเจตนาของตนเป็นเครื่องหมายเจตนาของตนอยู่ในระดับใดตอบตนได้ทันทีไม่ต้องหาพยานก็นี่เป็นสิ่ของสําคัญมาก ทาชั้นปรมัตไม่ต้องหาพยานฝ่ายพ่อวินัยมีพยานพราะพะ่อวในเป็นเครื่องกำจัดกิเลสฝ่ายหยาบส่วนธรรมะชั้นในแท้ชั้นปฏิบัติไม่มีพยาน เอาตนเองเป็นพยานตนเดินทางถึงไหนก็ต้องเอาตนเป็นพยานตนนั่งอยู่ก็ต้องเอาตนเป็นพยานผมนั่งอยู่หรือไม่ครับจะไปถามอย่างนั้นก็ไม่ถูกเดี๋ยวนี้ผมนึกไปอะไรบ้างจะถามอย่างนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกัน ถ้าตนเป็นผู้รู้แล้วจะถามทำไมตนนั่งหรือตนไม่นั่งตนนึกไปที่ไหนทางไหนตนก็รู้จักตนอยู่ด้านธรรมะฝ่ายปฏิบัติต้องปฏิบัติกันไปแถวนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จักความหมายของตนเองตนอยู่ในเกตนา ใ, นในดๆก็ไม่รู้ทีนี้เดี๋ยวนี้กามาวิตของผมมีอยู่หรือไม่ไม่จำเป็นจะให้คนอื่นทำนายทายทักตนต้องรู้ตนเอง เดี๋ยวนี้พญาบาทมีตกผมมีอยู่หรือไม่ถ้าคนอื่นทายถูกก็จะอัศจรรย์ที่นี่ก็อัศจรรย์นตนเองดีกว่าคนอื่นเพราะตนรู้จักก่อนคนอื่นแล้วนี่หิงสามีตกผมผมมีอยู่หรือไม่เดี๋ยวนี้ถ้าเขาทายถูกก็จะว่าเขาดีทีนี่เราไม่ ด, ดีหรือเรารู้จักก่อนเขาแล้ว เราเห็นภายในวัฏะสงสารเพียงไหนหรือเราทำพอเป็นพิธีหรือเราบวชมาเป็นกระต่ายตื่นตูมการให้ทานรักษาศินภาวนาการถือพระพุทธศาสนาเราเชื่อเหตุผลอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ต้องตอบตนได้ไม่สุมเด็กเหตุผลที่ จะให้เชื่อในทางพระพุทธศา ส, สนามีอะไรบ้างก็กรรมและผลของกรรมเป็นเหตุให้ปฏิเสธพระพุทธศา ส, สนาไม่ได้กรรมมีมโนโกรรมเป็นต้นสายเหตุเพราะผลรับก็อยู่ที่กับมโนโกรรม เหตุที่สร้างขึ้นก็อยู่กับมโนกรรมมโนกรรมเป็นผู้รู้ตัวมโนกรรมเป็นต้นสาเหตุของกรรมทั้งหลายมโนกรรมสงสัยสิ่งใดผลมโนของมโนกรรมก็นำความสงสัยมาให้ทันเวลาไม่เลือกการอากาลิโก ผลของกรรมจิตใจที่นึกเมตตากรุณาผลของใจก็นํามาด้วยเมตตากรุณาทันท่วงทีไม่นิยมการไม่นิยมเวลาจิตใจฉุนเฉียวผลของใจก็นํามาให้ฉุนเฉียวในกระทันฐานนั้นเหตุฉะนั้นจึงเชื่อกรรมและผลของกรรม เมื่อเชื่อกรรมและผลของกรรำได้สนิทแล้วทีนี้การถือเคารพนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้ต้องบังคับหากเชื่อเองเมื่อเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วบุคคลพวกนั้น ก็จะเลือกทำกรรมที่ดีมีกายกรรมวากีกรรมมโนกรรมมโนกรรมเป็นหัวหน้าของกรรมทั้งหลายสิ่งไหนที่เคยตกนรกด้วยมโนกรรมที่ทำไม่ดีก็จะพยายามเข็ดหลาภพระพุทธศาสนาอาศัยหลักกรรมและผลของกรรม กรรมอันใดทำแล้วเดือดร้อนในภายหลังกรรมอันนั้นอย่าทำเถิดเครื่องทดสอบแต่เป็นทดสอบหลังฉากกรรมอันใดที่ทำลงไปแล้วไม่เดือดร้อนกรรมอันนั้นจงทำเถิดเครื่องทดสอบแต่เป็นหลังฉาก ธรรมัยุตตาเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ทำของสัตวบุรุษธุตทของพระโสดาบันอัถนยุตตาเป็นผู้รู้จักผลเช่นรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ อัตัญญุตาควรเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชอบด้วยยศศักบริวาณและแตระกูลและคุณทําเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วควรประพฤติตนให้เป็นการสมควรแก่การที่เป็นอยู่อย่างไรมัตัญญุตาเป็นผู้รู้จักสแสวงหาเครื่องลี้ยังชีวิตโดยทางที่ชอบ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 ผู้นี้เป็นคนดีควรคบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรครบเป็นต้นภูมิเหล่านี้เป็นภูมิของพระโสดาบันทั้งนั้นเรียกว่าธรรมของสัตบร์ระลุธรรมของสัตว์รุษประกอบด้วยธรรมแดประการเป็นคนมีศรัทธาเป็นคนมีความละอายต่อบาปเป็นคนมีความกลัวต่อบาปเป็นคนเคยได้ยินได้ฟัง เป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญาจะพูดอะไรกับใครใก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะคิดสิ่งใดกับใครใก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะทำสิ่งใดกับใครใก็ไม่ทำเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นมีความเห็นชอบมีเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้น ให้ทานโดยเคารพเกื้อเฟื้อแก่ของที่ตัวให้และผู้รับทานนั้นไม่ทำอาการดูดทิ้งเสียนี่หลักของพระโสดาบันท้งนั้นบุคคลผู้จะถึงพระสกทาคามีอนาคามีอาราหันต์ก็ต้องผ่านพระโสดาบันเชี่ยก่อนจึงจะรู้จักพ้นทางไปอบายามุขทุกประเภท เป็นภูมิสมบัติของพระโสดาบันทั้งนั้นกานคบมมตดเลือกมมตดก็เป็นภูมิของพระโสดาบันพระโสดาบันงดเว้นการพานันทุกชนิดไม่ส่งเสริมด้วยในทางตรงและทางอ้อม ทางลึกและทางตื้นไม่ส่งเสริมการพนันทุกชนิดค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายเนื้อเป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวค่าค่าขายสัตว์เป็นเช่นค่าหมูค่าสุกรค่าขายสุกรเลี้ยงไก่ขายเลี้ยงเป็ดขายไม่มีในพระสวสดาบาล ค่าขายน้ำเมาทุกชนิดค่าขายยาพิษทุกชนิดไม่มีในพระสวสดาบันถ้าหากว่าไม่รู้จักภูมิของพระสวสดาบันแล้วการปฏิบัติก็ไม่ชัดพระสวสดาบันไม่สงสัยในคุณของพระพุทธธรรมประสงค์ ไม่สงสัยว่ามรรคผลนิพพานว่าจะไม่มีหรือหมดไปแล้วอันนี้ทัพย์ทุเทศไม่ถือศาสดาอื่นไม่ชอบไม่ไม่ยอมทําบุญกับศาสดาอื่นเว่นไว้แต่ทําแก้ลำคาญ นางวิสาขาเลือกทานกับปริภาชกมาให้ทานเียเลยนางวิสาขาคงจะเป็นพระโสะดาบันเอกภับพิคีก็อาจเป็นได้แต่ในตำนานไม่ปรากฏเลือกข้เม็ดอีก พระโสดาบันในขั้งพุทธการมีตั้ง ล, ะ ล, ะละ้านล่านพระจกรทาคามีอน า, าคามีก็เหมือนกันพระรหันต์ก็เหมือนกันทั้งหัวดำด้วยทั้งหัวโล้นด้วยธรรมของพระองค์มีอยู่ทุกการผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นปฏิบัติเราผู้ใดเคารพธรรมผู้นั้นเคารพเราผู้ใดรักธรรมผู้นั้นรักเราผู้ใดศึกษาธรรมผู้นั้นศึกษากับเราผู้ใดเรียนธรรมผู้นั้นเรียนกับเราผู้ใดหวังดีในธรรมผู้นั้นก็หวังดีในเรา พระบรมศ า, าสดายืนยันขาดตัวและบอกว่าในมหาปรินิพานสูตรสมณะทั้งสี่คือพระสวดาสกทาคาอาณาคาอรหันไม่มีในศ า, าสตราอื่นเลยนอกกาศ ศาสต า, า, าพุทธแล้วเราตถาคตไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมเป็นธรร ม, มาทิปไตยไม่ได้พูดเป็นอัตาตาธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่ <c oughs> ในมหาปรินิพานสูในศาสตราอื่นๆถึงแม่จะประพฤติพรมจันท์เด็ดเดียวสักเพียงไหน ก็ไปเพียงแค่พุทธมรรคเท่านั้นผู้ที่ไปในทางถูกไม่สามารถถึงพระโสดาบันเพราะเป็นโลกีสมาธิโลกียะทานโลกียศีลโลกียสมาธิพระโสดาบันว่าพุทโธคําเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ ที่นี่พวกโลกีมาว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธเหมือนกันบริกรรมควาตีความหมายต่างกันพุโทโธของพระโสดาบันไม่สงสัยในทางเดินไม่สงสัยมรรคผลในผานคําว่าธโมธโมสังโฆก็เหมือนกันคํ า, น า, าว่านโมตัสสะเพระเาวตัวราตสัมมาสัมพุธทธัสสะเขาน้อมๆเดี๋ยวพระพุทธมีภาพ อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าโพลงนั้นแปลแปลได้ความอย่างนั้นพระสวดาบันแปล แ, แยบคายกว่าพุทธชนคนหนาแปลก็แก้วเจ้าขาจึงเข้ากับกล้วยไม่รู้จักอะไรทีนี้พระตีความหมายต่างกันพุทธัทงสนานานัณังคัตฉามิก็เหมือนกันพุทธัทงสนานานัณังคัตฉามิของพระสวดาบันถึงแล้วไม่ถอนออก พุทธทางสนานางคัดฉามิของพวกโลกีความหมายต่างกันปัญญาสัมปยุตต่างกันในขณะที่เห็นธรรมไม่แยกคายพุทธทางสนานางคัดฉามิของพระอรหันต์เป็นพุทธทางสนานางคัดฉามิไม่มีกิเลสพ้นไปแล้ว พุทธัทงสนนางคัจฉามิของพระสัทคาคามีก็ยาบคายกว่าพระโสดาบันพุทธัทงสนนางคัจฉามิของพระอนาคามีราคะโทสะโมหะขาดไปแล้วไม่มีพุทธัทงสนนางคัจฉามิของพวกเล่นเล็กเล่นผามันก็ไปตามแถวของเขาอืม ไปตามคลื่นของเขาไปตามเจตนาของเขาทําบทเดียวกันตีความหมายต่างกันผู้มีปัญญาลึกก็ตีลึกผู้มีผู้จิตถึงโลกุตรนะก็ตีขึ้นถึงโลกุตรนะผู้จิตเป็นโลกิยาจ<ม>ะว่านิพนันนิพนันธนิพนันนิพนันนิพันธ์สักเพียงไหนก็เป็นโลกีอยู่ ข้อนี้เป็นหน้าที่เราจะเข้าใจเหมือนกันเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของตนคนเราถ้าเห็นภัยในวัตาสงสารอย่างเต็มที่ศีลสมาธิของท่านผู้นั้นก็เป็นศีลสมาธิตกเข้าในห้องโลกุตระแล้ว เจตนาใดนๆนก็าตามจะกวาดลานวัดอยู่ก็าตามจะเดินไปบินเทาดาก็าตามเพราะเจตนาเป็นของสำคัญมากบางท่านทำสมาธิเพื่อลาบประพฤติพรหมจรรย์เพื่อราบก็เป็นโลกีไม่ใช่ภูมิของพระโสดาบัน พระมจรัณ์เบื้องต้นของพระพุทธศรราสนาหมายถึงพระโสดาบันสุดท้ายหมายถึงพระรหันต์หมายถึงพ ร, ระรัตธรรมตะผลต่ำกว่านั้นลงมาท่านก็จัดเป็นโลกีโลกียะโลกียะศาสนา โลกิยพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาไม่ได้เป็นโลกิยะเป็นโล ก, กุตระการจะถ่ายเทมนุษย์สวรรค์พรมออกอากขัถ้าสันดาลเป็นของถ่ายยากเหมือนกันถ้ามาเห็นโทษ เมื่อเห็นโทษในอนิจจังทุกครั้งอนัตตาจริงๆจึงจะถ่ายเทออกง่ายถ้าไม่เห็นชัดก็ยังถ่ายไม่ได้ยังสลัดคืนไม่ได้จาโคปฏินิสโคยังสลัดคืนสลัดอะไรคืนสลัดความหลงของตนคืนสลัดความเข้าใจผิดของตนคืนที่เคยดองสันดานมา ถ้าปัญญาเหนือมานปัญญาก็ชนะมานหรือต่อสู้กับมารนได้ขันธมานมานคือปัญจขันธ์เกเรตมานมานคือกิเรตอภิสังขารมารนมานคืออภิสังขารมัจจุมานมานคือมัจจุเทวบุตรมานมานคือเทวบุตร ประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเพื่อเป็นเทวบุตรก็เป็นมารอันหนึ่งไม่สามารถจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติได้แต่เป็นนิสัยอยู่จึงว่าเทวบุตรตำนานผู้ใดประพฤติพรหมจรรย์หวังเป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีพรหมจรรย์ของผู้นั้นชื่อว่าขาดชื่อว่าทะลุชื่อว่าด่างชื่อว่าพร้อยผู้นั้นประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ ไม่ปาดจากเมถุนสังโยกเรียกว่าเมถุนสังโยกเพราะเสพเมถุนทางใจเพราะหวังในมนุษย์สมบัติสวรรค์ผมสมบัติพรหมสมบัติเรียกว่าเสพเมถุนทางใจผู้นั้นประพฤติพรมอาจารย์ไม่พ้นไปจากโลกคําว่าไม่พ้นไปจากโลกหมายความว่าไม่สามารถพ้นไปในปัจจุบันในชาติ แต่ในชาติพบตัวต่อไปนั่นก็ไม่ตัดพ่อดอกหมายความว่าในปัจจุบันในชาติเราจะอธิบายพุทธโธตลอดรุ่งก็ไม่จบคุณของพระพุทธเจ้า เราจะอธิบายลมหายใจเข้าใจออกอย่างเดียวลมหายใจใจเข้าขณะเดียวท่านี่เราจะอธิบายจนตลอดลงก็ไม่หมดลมหายใจเข้ามีทั้งเกิดทั้งเก๋ทั้งเก็บทั้งตายทั้งโลดทั้งกดทั้งลงทั้งอ้างกระดูกทั้งอาการสามสิบสองทั้งสีลนห้าสิ้นแปดสิ้นสองรอยสิบเจ็มันมีอยู่ในปัจจุบันหมดที่นีม มันครบหมดขณะกิดเดียวก็ครบแปดหมื่นสีพระธรรมะขันแล้วเพราะเพราะมีทั้งกองน้ำลูกเดี๋ยวนี้มีดินไหมมีเดี๋ยวนี้มีน้ำไหมมีเดี๋ยวนี้มีไฟไหมมีเดี๋ยวนี้มีลมไหมมีอเฉพาะธาตุสี่นี่เองวันนี้มีหรือไม่ดินน้ำไฟลมมีอยู่แต่มันร่วงมาแล้วพรุ่งนี้มีหรือไม่ดินน้ําไฟลม มีอยู่แต่ยังไม่ทำมาถึ ง, งพุทโธธรรมโมสังโฆมีอยู่ในปัจจุบันสัตทินซีวิลยินสตินสมาธินปัญญินมีอยู่ในปัจจุบันทีนี้เรารวมอินรีทั้งหลายมาเป็นพระลงในปัจจุบันอินรีห้ารวมมาเป็นเชือกห้าเกลียวทีนี้ในปัจจุบัน สติปัฏฐานสี่รวมลงมาเป็นเอกสติปัฏฐานลมหายใจเข้ามีทั้งกายมีทั้งเมตนามีทั้งจิตมีทั้งธรรมแต่ขออย่าเราอย่าสงสัยเท่านั้นเองลมหายใจเข้าเรียกว่ากายานุปนัสสนาแล้วลมหายใจเข้าเห็นความสุขทุกข์หรืออุเบกขาก็เรียกว่าเวทนานุปนัสสนาแล้วลมหายใจเข้า เห็นจิตเศ้าหมองหรือผ่องแพรวก็เป็นจิตานุปัสสนาแล้วลมหายใจเข้าเห็นความไม่เที่ยงแห่งลมหายใจเข้าเขาเป็นธรรมานุปัสสนาแล้วลมหายใจออกก็เหมือนกันอันนั้นท่านเรียงแบบให้เรารู้จักท่านอธิบายอย่างพิสดารพราะมหาสารีบุตรท่านแตกฉานในธรรมะธรรมะปฏิสัมพิทาสี่ สารีบุตรท่านอธิบายแตกฉานมากท่านรู้จักอาการเสื่อมอาการเจริญทมอันว่าอ่านว่าทมทรงอยู่ทมฝ่ายละคือบาปทมฝ่ายเจริญคือบุญ ทำฝ่ายทำให้แก้คือมรรคผลนิพพานออไม่อยากเกิดมาเป็นหนี้ปัญหาของตน เ, ออเราต้องการจะแก้ปัญหาของตนให้จบไม่ให้มันมีปัญหาออพระสวดาบานุจะแก้ปัญหาของตนไปแล้ว ลุยจักตอบตนด้วยลุยจักถามตนด้วยพาาระอรหันต์แก้ปัญหาของตนจบแล้วไม่มีปัญหาใดๆจะถามตนให้สอดแทรกขึ้นมานักไก่เลยพราะแก้ตกแล้วปัญหาใดๆไม่เกิดขึ้นมาในตนจะแซงตนให้ลําบากพราะแก้หมดแล้วทาไมสงสัยด้วย เพราะม่ถือเป็นของยากด้วยถ้ากิเลสไม่มีปัญหาในจิตก็ไม่มีถ้ากิเลสมากปัญหาในจิตก็มากถ้าโรคโกรธหลงยังมีมากปัญหาก็มากถ้าโรคโกรธหลงไม่มีมากปัญหาก็ไม่มีมากโรคโกรธหลงยังมีมาก ไฟก็มีมากโลกกวดหลงน้อยลงไฟก็ดับลงลาคขีนาโทสักขีนามหคิีนาก็ดับลงเหมือนกันแต่ว่ามันดับลงขนาดไหนทุกวันนี้ น, นแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้มาปฏิบัติน่ะไฟโลกไฟปวดไฟหลงของเราเาผาผลาญเราขนาดไหนทุก วันนี้ดับลงขนาดไหนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของใครของมันเพราะกระเป๋าใ ค, ใครกระเป๋ามันก็ต้องตรวจ ด, ดูไม่เป็นหน้าที่จะรับรองกันไม่เป็นหน้าที่จะไปโต้เถียงกันอีกด้วย เราสงสัยในชาติได้พบอะไรหรือเราไม่สงสัยในชาติพบอะไรเราสงสัยในร่างกายสังขารยังไงหรือเราหายสงสัยไปบ้างแล้วหรือพ้นความสงสัยไปหมดแล้ว เราจะสงสัยอะไรอีกทีนี้วันหนึ่งคือหนึ่งมียี่สี่ชั่วโมงเราจะทำข้อวัดขนาดไหนเราจะสังสรรค์กับมู่กับเพื่อนขนาดไหนเราจะอยู่เอ ก, กเทศของเราขนาดไหนเราจะพิจนารณาอย่างไงต้องปันเวลาออกเราจะนอนหลับขนาดไหน เราจะตื่นขนาดไหนเราจะชั้นขนาดไหนวันนี้เราชั้นตึงชั้นจนท้องกลางเราพิจารณามันเป็นยังไงก็ให้เรารู้จักวันนี้เราผ่อนอาหารเราพิจารณามันได้ความยังไงวันนี้เราเดินมากเดินโยกมมาเราเราได้ความยังไงวันนี้เราไม่ได้เดินเสียเลยนี่มีแต่นั่งมาก การภาวนาได้ความยังไงซึ่งแล้วนี่เป็นเรื่องของใครของมันจะเอาเรื่องคนคนอื่นมาทำมันก็ไม่ถูกหลวงปู่มั่นเคยเทศ บ, บ่อยๆโพชเนมตัญญาตารู้จักประมาณในการชั้นอาหารไม่มากไม่น้อยแต่พอสมควรคำว่าไม่มากไม่น้อยเท่านั้นคำเท่านี้คำพระ อ, องค์ก็ไม่บัญญัติไว้เป็นแต่เพียงว่ายังอีกสี่ห้าคำจะอิม่มแล้วก็ดื่มน้ำเสีย จึงไม่อืดอาดใครบอกก็ไม่ถูกการทำความเพียรนี่บางท่านก็ชำนาญในเดินบางท่านก็ได้กำลังเวลานั่งบางท่านก็ได้กำลังนอนนอนในที่ไม่ความไม่ไม่หลับบางท่านก็ยืน บางท่านก็เปลี่ยนอิริยาบทเสมอกันจึงได้กำลังแห่งปัญญาสิ่งแล้วนี่เป็นเรื่องที่จะทำทดสอบกับตนเองทั้งนั้นจะไปเอาของคนอื่นมาทาไม่ได้ให้พอเหมาะพอดีกับความสะดวกของตนแต่ความสะดวกมันอิงกับกิเลสก็มีความสะดวกมันได้ ปัญญาก็มีมีข้อสำคัญอยู่แล้วถ้าหากว่าเราเห็นวัตตะสงสารเต็มไปด้วยภัยด้วยเวรเป็นไปเต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วปัญหามันก็ไม่มากดอกถ้าหากว่า จะวังแข่งดีแข่งชั่วกันในวัฏสงสารอยู่หวังจะแข่งกับกิเลสของตนอยู่หวังจะบูชากิเลสของตนอยู่มันก็ลำบากเหมือนกันถ้าหวังจะแข่งกับกิเลสของตนก็ เอาศีลรรมาแข่งกับกิเลสของตนปัญหาก็ไม่มากจะเอาข้อวัดปฏิบัติมาแข่งกับกิเลสของตนปัญหาก็ไม่มากถ้าหากว่าจะฮักดอกไม้บูชามันปัญหาก็มากเหมือนกันพิจารณาชาติอันเดียวว่าเป็นทุกข์ก็มีกําลังอยู่เหมือนกันพิจารณาว่าเกิดอันเดียวเป็นทุกข์ก็มีกําลังพิจารณาอันแก่ว่าเป็นทุกข์ ก็มีกำลังพิจณาความตายลงให้ชักก็เป็นกองทุกข์ก็มีกำลังอยู่เหมือนกันพิจนาหนังหุ้มอยู่โดยรอบมาเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆพิจนากันจริงๆก็มีกำลังเหมือนกันอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันเป็นนิยายน่กระทำนำสัตว์ออกจากหลงได้นำของนำพวกเราออกจากความหลงความเมา ไม่น้อยก็ต้องมาต้องยุดหย่อนผ่อนลงไม่นักหน้าถ้าหากว่ามีคนตู่ว่าเราเป็นกรรมฐานครึ่งท่อนเราก็โกรธที่นี่แต่ว่าเราเป็นกรรมฐานจริงหรือไม่ ผมค้นเล็บฟันแต่และอย่างละอย่างเป็นกรรมฐานอยู่แล้วแต่เราจะปฏิบัติกรรมฐานหรือไม่ส่วนกรรมฐานมีอยู่แล้วนี่เราเบียรกดพายมุง่ง เ, ออเดินจงกรมปลอบินทบาทปลอฉันเข้าในบาทปลออยู่ในบาอยู่ในป่าปล อ, อต้องไปให้มันพ้นอย่าให้มันถอยหลัง ออถ้าใครจะถอยหลังก็นึกละอายบาดสเตนเลสบ้างละอายบาดเคลือบบ้างเออล ะ, ละอายตีนบาดไม่ไผ่บ้าง ละอายปีนขึ้นภูเขาบ้างาละอายพายยอมแกนขนุนบ้างาละอายทำท่าทำทางชั้นในบาดบ้างยอมตายเสียดีกว่า เราบวชมาเรามาปฏิบัติอยู่ในพระพุทธศาสนาหาความสุขไม่เห็นเราจะออกไปหาความสุขในทางฆราวาอค้ายๆก็ว่าแข่งดีกับพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาหาความสุขในทางฆราวาสไม่เห็นเราจะออกไปหาแข่งคล้ายๆก็ว่าอย่างนั้นเ อ, อ ทีนี้ถ้าเราถ้าเจอทยานในวัฏสงสารทั้งปวงอก็ค้ายกับเราแข่งดีกับพระบรมศาสดาเหมือนกันละนี่ก็ดีพระบรมศาสดาขี้ง้อหาความสุขในโลกทั้งสามไม่เจอเราคนหนึ่งก็บประหาแถ้วค่ากับอวดดีแข่งดีกับพระองค์พระองค์หาแล้วไม่ไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเอ่อพระอรหันต์ทั้งหลายหาแล้วไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็น เราจะแข่งดีไปหาอวดกับท่านายกธงขาวยอมเสียดีกว่ า, า, ข, าข้ายกับว่าพระบรมศาสดางูทำเหลือวิสัยก็มาสั่งสอนสัตว์โลกไว้พระบรมศาสดานี่งูจริงๆ ไม่สามารถจะได้พระโสดาบันสกท า, า, าคามีอนาคาคามีก็มาสั่งมาสอนไว้ก็เท่ากับว่าเรากล่าวตู่พระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศาถ้าเราถือว่ามรคนิพพานหมดแล้วเขาเรียกว่าเรากล่าวตู่พระบรมศาสด า, ศ า, ศาโดยกรุงทีเดียวเออเราก็ฉลาดพระบรมศาสด า, ศาคนไม่สามารถจะได้มรคนิพพานก็มาสั่งสอนไว้ คนไมา่สามารถจะพ้นทุกข์ก็มาสั่งสอนไว้ออบ้าๆบอๆไว้ก็คล้ายๆกับว่าเรากล่าวตู่พระบรมศาสด า, ศ า, ศา เ, ออเราเป็นคนฉลาดกว่าพระบรมศาสด า, ศ า, ศา น, นิยานิการทำนิยานิกูนำสัตว์ทั้งหลายออกอันนี้จังทุกครังอนัตตาเรามีชีวิตอยู่เทศนาอันนี้มากกว่าอันอื่น เพราะสัตว์ทั้งหลายเมื่อเห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแล้วเป็นนิยานิกระทธรรมจะนำสัตว์ทั้งหลายให้ใครเมาในวัฏสงสารโดยง่ายเหตุฉะนั้นธรมานโนโสภควาพระบรมศาสนาจึงสอนทำข้อนี้มากกว่าทำอันอื่น กินอาหารสันอาหารเข้าไปในปากก็ถ่ายออกจากทาวรหนักไม่มีรีลับเราไปสงสัยอะไรอีกดื่มน้าเข้าในปากก็ออกจากวาวรทั้งเก้าที่นี่ เกิดก็เกิดอย่างพึงพายแก่ก็แก่อย่างพึงพายเก็บก็เก็บอย่างพึงพายตายก็ตายอย่างพึงพายไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงอย่างพึงพายเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อย่างพึงพายเออไม่มีรี้ลับทีนีแเราจะไปสงสัยอะไรอีกเออเราก็ถอนความเข้าใจผิดของเราออกที่เคยเข้าใจผิดมาท่านั้น สิ่งอื่นไม่มีสิ่งที่จะถอนถอนความเข้าใจผิดของตนเท่านั้นที่เคยผิดมาสิ่งไหนที่มันถูกก็รักษาไว้เท่านั้นสิ่งอื่นไม่มีสิ่งที่จะถอนไม่มีสิ่งที่จะละถ้าละตาจะละยังไงละตาที่นี่ล้วก็ดูก็มองอยู่ละหูก็ละไม่ได้ ละตาด้วยวิธีเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นแล้วเปรปยวรก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราต้องหัดพิจารณาอย่างนั้นอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนออพ้อมกำลมหให้ใจเข้าออ ก, ออกอีกด้วยพ้อมกับยืนเดินนั่งนอนอีกด้วยพ้อมกับอินญาบททุกประการด้วยออถ้าเรา ไม่ต้องการจะพิยาอย่างนั้นเราจะไปสงบอยู่ในกรรมฐานอัในใดอันหนึ่งสักครู่ก็กแล .Te แต่ออกมาต้องพิแกณาลงสู่แตรลักเสมอเสมอเสมอเสมอเสมอถ้ามาอย่างนั้นไม่มีหลักถ้าอย่างนั้นไม่มีหนทางเหบื่อนหน่ายในวัตาสงสารเลยอดีตที่ล่วงมาแล้วคือไตรลักที่ล่วงมาแล้ว อนาคตคือแต่รักที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือแต่รักที่กำลังเป็นอยู่อดีตคือสังขารที่ล่วงมาแล้วอนาคตคือสังขารที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือสังขารที่กำลังเป็นอยู่อดีตคือกองทุกข์ที่ล่วงมาแล้วอนาคตกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกองทุกข์ที่กำลังเป็นอยู่อดีต รูปขันนามขันที่ล่วงมาแล้วอนาคตรูปขันนมขันที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันรูปขันนามขันที่กำลังเป็นอยู่ น, นัอันเดียวกันพูดไปตั้งหมื่นแส น, สนก็ไปมีคำหมายอันเดียวกันเกิดชาติหน้าเราจะมาเป็นอะไรอีก ถ้ากินแล้วก็กินเข้าปากอีกถ้าถ่ายก็ถ่ายออกกากถ้าวานหนักอีกถ้าวานเบาอีกอก็อันเก่านั่นแหละถ้าไม่รู้จมูกก็จะมาหายมันเก่าหายออกหายเข้าออมันเก่าเราจะได้จมูกที่ไหนมาหายอีกอมีใจก็มานึกมาคิดอยู่อย่างนี้มากินมาขี้อย่างนี้ ม, mu, มาหนามาร้อนอยู่อย่างอันเดียวกันอยากเข็นชาติหน้าก็ดูในปัจจุบันในชาติอยากเข็นชาติที่ลวงมาแล้วก็ดูในปัจจุบันในชาตินี่เถิดเอออเาชาติปัจจุบันเป็นพยานสา ว, วดูในอดีตสาวดูในอนาคตอันเดียวกันเสมอหน้ากลองเลยเมื่อชาติปัจจุบันเป็นยังไงชาติอดีตก็ต้องเป็นอย่างนั้น อนาคตก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมีแก่เก็บตายเสมอกันลักษณะที่มีเสมอกันแก่สังขานทั้งปวงเรียกว่าไตรลักษณะไตรแปลว่าสามมีลักษณะเป็นสามลักษณะไม่เที่ยงลักษณะเป็นทุกลักษณะไม่ใช่ตัวตนแต่เป้าอันเดียวมีสามลักษณะคือเป่าลูกเปล่านานนี่เองมีเท่านั้นไม่มีอันอื่นถ้าเบื่อนายคลายเมาอันนี้แล้วก็หลุดพ้น ลดพ้นจากความสงสัยลุดลดพ้นจากความหลงของตนคําว่าลุดพ้นขก็ลุดพ้นจากความหลงของตนนั่นเองอืมคําว่าชนะก่็ชนะความหลงของตัวนั่นเองทีนี้คําว่ามัตต ก, ก็แปลว่าการพิจรารณาคําว่าผลก็ผลของการพิจรารณา พูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็งโง่มาหาผู้พูดมาหาผู้ฟังพูดไปทางไหนมันก็ไม่ไปที่พระบรมศ า, ษ า, ษาสดาแสดงธรมกรมจักกวัตินาสูตรนั่น ชาติพิทุขาอชราพิทุขามานะนำพิทุขังเบื้องเบื้องต้นก็ดีเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์คนหูหนวกอาจแลเห็นคนตาคนหูหนวกอาจได้ยินคนตาบอดอาจแลเห็นคนเปรีย้ยคนค้อม ก็ถูกหมดนะคนหูหนวกมันก็มีเก๋มีเก็บมีตายคนตาบอดมันก็มีเก๋มีเก็บมีตายเมื่อท่านเทศเรื่องเก๋เก็บตายแล้วมันก็ถูกหมดใครจะฟังหรือไม่ฟังมันก็ถูกเป็นทุกข์เธอย่อมหน่ายเธอย่อมละอาเธอย่อมเกียดชังในสังขารทางปวง พระพโลเกอภิ่ละตะสัญญาท่านทั้งหลายอย่ายินดีในโลกทั้งปวงท่านทั้งหลายจงทําให้ละอาในโลกทั้งปวงทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยจงทําความเมาให้สลากจงอย่าอาไรในโลกทั้งปวงอาระยะสมุคขคาโตจงถอนอาใดในโลกทั้งปวงเสียจงเห็นท ให้เห็นโทษในที่ตนเคยลงมาเสียจงเค็ดหลาบในทุกในวัตสงสารให้มา ก, มากๆเถิดผู้ใดเค็ดลาบทุกในวัาสงสารผู้นั่นก็ถือกุญแจเปิดประตูพระนิพพานแล้วผู้ใดเพลินในวัตสงสารทั้งอดีตทั้งนาคต ตั้งปัจจุบันจนลืมตูนลืมตัวลืมใจลืมทมผู้นั่นก็ปิดประตูพระนิพพานด้วยตนเองทมอันเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสายมีทมบทเดียวเท่านั้นเป็นธรรมสำคัญมากที่เมื่อเห็นอย่างนั้นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาก็รวมกันอยู่ที่นั่น พาสิตจะภัยาะสนะโสดจักเพียงไหนกว่าตามแต่ถ้าว่าไม่เป็นไม่ไม่เป็นธรรมชังเวทไม่เป็นธรรมหน้าเบื่อนายไม่เป็นธรรมหน้าคลายเมาก็ไม่เท่าพาสิตเดียวที่ทําให้เบื่อน่ายคลายเมาและละอาในวัตาสงสาร พยตูปัฏฐานายานเห็นลมหายใจเข้าออกเป็นของหนากกลัอาธีนวานุปัสนาญาณเห็นลมหายใจเข้าออกว่าเป็นโทษหนักหนาเพราะมีโทษอยู่เพราะเป็นทุกข์ทำไมหายมันเป็นทุกข์ทุกข์กับโทษอันเดียวกัน ผู้ที่จะออกลิงออกกลายอยู่ในวัฏฏะสงสารเ อ, อ่อก็ผู้จะออกลิงออกกลายเพื่อจะเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสาระเราจะเข้าไปพักทางพักไหนเราก็เลือกเอาสังคมนิยมอ่านว่าสังคมนิยม สังคมพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอาหารหันเป็นสังคมนิยมพระนิพานเหลือรางนั่นเป็นสังคมที่เวียนในวัฏรสงสารนี่เราจะเราจะจองสังคมไหนที่นี่ปัญหาของมันเราจะจองตัวที่นั่งที่ไหนที่นี่เราต้องจองเสียเดียวนี้ ประชาธิปไตยของพระโสดาบันสกกทาคามีอนาคามีอัลหันเป็นประชาธิปไตยยินดีเข้าสู่พระนิพพานเดินกรุงไปทางพระนิพพานเหลือเราด้านเป็นประชาธิปไตยเวียน่ายตายเกิดในวัดตาสงสารอืมสังคมนิยม ก, มก็เหมือนกันธรรมชาติ ก, ก็เหมือนกันธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติ ธรมธมธรมชาติที่วนเวียนในวัตาสงสารธรมธรมชาติที่ไม่วนเวียนในวัตาสงสารธรรมดาอ่านว่าธรรมดาธรรมดาวนเวียนในวัตาสงสารธรรมดาจะออกกากวัตาสงสารนอิศระเสลีอ่านว่าอิสระเสรีมีอิสระเสรีจะวนเวียนในวัตาสงสารมีอิสระเสรีจะออกกากวัตาสงสาร อ๋อได้เหมือนกันถ้าม่พูดอย่างนี้คนง่วงนอนสับปึงหมกเอาละเ ด, <Jeez> ดี๋ยวดิ้งผ้าพัดปาถ้าเห็ <Jeez> น, นภัยในวัดตาสงสารอย่างเต็มที่เดึงไปมัก็หด เข้ามามันค้าเต่าเนี่ยนะถ้ามาเห็นไพรมันก็บินไปเลยอืมบินไปจับแมลงม้มาบินไปจับตะเกียงถ้าเห็นไพร์เรามันไม่ไปเราอะไรมาหามันก็ไม่ไปถ้ามันเห็นไพร์มันไปเก่งๆคนเรามันใจถึงทุกคนผู้ใจถึงท่องเที่ยวเนี่ยวัดท้าท่องสารก็มี ผู้ใจถึงจะเดินผ่าชุนกลางออกก็มีผู้ใจถึงในทางป้นทางสดมก็มีผู้ใจถึงในทางเว่นก็มีผู้ใจถึงในทางตณีก็มีผู้ใจถึงในการให้ทานก็มีผู้ใจถึงในทางรักษาศีลผู้ใจถึงในทางไม่รักษาศีลคนมันใจถึงทุกคนใคร้าใจถึงหมดบางคนก็ใจถึงทางเกียรติข้านจินและกนน จะเอาใจถึงมาอวดกันใครก็พอได้อวดเหมือนกันนะพระอริยเจ้าใจถึงทางพระนิพพานต่ำกว่านั่นลงมาเข้าใจถึงท่องเที่ยวในวัดตาทงสารใจถึงในทางเวีนทางภัยกูใจถึงมาให้กูฆ่าเขาไหวกูฆ่ากูใจถึงกูรับได้กูใจถึงกูไม่รักกูใจถึงกูไม่ฆ่ากูก็ใจถึงเหมือนกันกูใจถึงทางไม่ฆ่าไม่รับมันใจถึงทุกคน